สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสามอย่างวิบากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในตอนต้นข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่สามอย่างคือพระรัตนตรัยเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และวิบากของคนเราในสามอย่างนี้วิบากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง อย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในสวรรค์นับว่าเป็นยอดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญบารมีมาสูงกว่าเทพเจ้าใดๆทั้งหมดและมีอนาคตแน่นอนว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถึงกระนั้นถ้าหากพระองค์จะเสด็จอยู่แต่ในสวรรค์ไม่ทรงจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่อาจจะช่วยมนุษย์และเทวดาให้พ้นจากความทุกข์ได้ ตัวอย่างอันนี้โปรดพิจารณาให้ซึง้งจะได้ไม่หลงงมงายยึดถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งกันอย่างหลมหลมแงแรงเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือมนุษย์ได้ก็เท่าที่วิบากของเขามีอยู่อันหนึ่งข้าพเจ้าเดีกล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเทวดาหรือเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยเหลือมนุษย์ได้ก็เท่าที่วิบากของเขามีอยู่เท่านั้น จะช่วยใครเกินกว่าวิบากของเขาย่อมทําไม่ได้พระพุทธเจ้าได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธะก็เพราะบารมีของพระองค์ที่ได้สร้างสมอบรมมานั้นเต็มบริบูรณ์แล้วถ้าหากบารมีของพระองค์มีไม่พอเทวดาวหรือเทพเจ้าที่ไหนก็ไม่อาจจะช่วยให้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะได้และแม้ในขณะที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ พระองค์ก็ไม่สามารถทรงบรันรดาลให้ใครเป็นอะไรได้ตามความปรารถนาของเขาได้คนบางคนที่พระองค์ทรงช่วยได้ก็เพราะวิบากแห่งกุศลของเขามีพอที่จะให้ช่วยได้เช่นจะทรงเทศนาโปรดใครให้ได้บรรลุมากผลก็เพราะว่าคนคนนั้นได้สร้างบา ร, รมีมาพอที่จะฟังธรรมจากพระองค์จนรู้แจ้งแทงตลอดได้แต่สาหรับคนที่บา ร, รมีไม่พอ จะสังเกตได้ว่าแม้พระองค์จะทรงแนะนําสั่งสอนอย่างไรก็ไม่อาจที่จะรู้แจ้งแทนตลอดจนกระทั่งบรรลุมากผลได้ตัวอย่างเช่นนี้ในสมัยกล้งพุท ธ, ธากาลมีมากมายด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นคติของตนความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวคือเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะทาขึ้น คนหนึ่งจะช่วยให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าหากเขาไม่ทําด้วยตัวของเขาเองสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประณีดหลักต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหลักสําคัญที่ทุกคนจะต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและต้องปฏิบัติตามหลักเหล่านี้และขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าในกรณีที่ข้าพเจ้ากล่าวว่า จะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชาติบ้านเมืองหรือจะขอให้ช่วยตัวเราเองนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ทิ้งหลักดังที่กล่าวมานี้เลยข้าพเจ้ายืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าคนเราจะพ้นทุกข์ได้จะทำอะไรได้เป็นผลสำเร็จหลักสาคัญอยู่ที่วิบากของตัวเอง